ออกพรรษาเป็นวันที่ชาวพุทธนะรู้จักกันดีถึงความหมายแต่ว่าวันนี้เนะี่ยยังมีอีกชื่อหนึ่งนะซึ่งไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในหมู่คนทั่วไปจะรู้ก็เฉพาะชาววัดโดยเฉพาะพระสงฆ์นั่นคือวันมหาปวารณาคําว่าปวารณาเนี่ยญาติโยมหลายคนก็คุ้นเคยดีนะความหมา ย, อยาของปวารณาเนี่ยก็คือ ยอมให้ขอเช่นโยมปรารนากับพระหลวงพี่หลวงพ่อว่าถ้าขาดอะไรก็ขอให้บอกที่เป็นเรื่องของปัจจัยสี่หรือว่าจะเดินทางไปไหนก็ขอให้บอกนะจะจัดหาพาห น, นะหรือขับรถไปส่งเนี่ยหรือบางทีก็ปรารนาว่าจะ หาปัจจัยสี่เช่นอาหารมาถวายตลอดเดือนตลอดปีก็ว่าไปหรือบางทีก็ไม่ได้บอกชัดเจนแต่บอกว่าถ้าอยากจะให้โยมช่วยอะไรก็บอกด้วยอันนี้เรียกว่าปรบรณาแต่นั่นก็เป็นแค่ความหมายแรกนะความหมายที่สองเนี่ยอันนี้ เป็นความหมายที่สำคัญก็คือยอมให้ว่ากล่าวอยอมให้ทักท้วงหรือว่าอนุญาตให้ว่ากล่าวได้ควาว่ามหาปรารณาเนี่ยก็มีความหมายตรงนี้แหละคือเป็นวันที่พระสงค์ในวัดในอาวาส ก็จะมาประชุมพร้อมกันแล้วก็ทำพิธีปวารณาเป็นคล้ายๆเป็นอนัสสัญญาณให้พระสงฆ์รู ป, ปอื่นๆได้ทราบว่าเนี่ยผมยอมให้ว่ากล่าวยอมให้ทักท้วงได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเช่นสมัยพุทธกาลเนี่ย ออกภัรษาแล้วพระก็จะแยกย้ายกันไปตามที่ต่างๆกว่าจะได้มาเจอกันก็อาจจะนานเป็นเดือนเป็นปีเพราะนั้นก่อนไปก็ทำพิีปารานาว่าถ้าเกิดได้ยินได้ฟังว่าผมได้ทำอะไรที่ไม่เหมาะสมก็ขอช่วยตักเตือนด้วยแต่แม้ทุกวันนี้เนี่ย ถ้าเราจะอยู่ประจำเป็นที่แล้วออกพรรษาแล้วก็ไม่ได้ไปไหนไกลกกลับมาอยู่วัดเดิมนะไอการปรณนาแบบนี้ก็ยังมีความสำคัญถ้าไม่ใช่ทำแต่เป็นพิธีเพราะว่าพระเราเนี่ยดวงวิญายการบวชเนี่ยก็คือการฝึกฝนตนนะ เจริญในชีวิตพรหมจรรย์พรหมจรรย์ก็คือชีวิตอันประเสริฐชีวิตประเสริฐคือชีวิตที่มีการพัฒนาตามหลักตรายศึกขาพวกเราก็คือฝึกฝนตนพัฒนาตนให้เจริญงอก ง, งามในธรรมยิ่งๆขึ้นไปถ้าทำกันได้เนี่ยก็ต้องสู้กับกระแสกิเลสทวนกิเลสตัณหารวมทั้งทิฏฐิมานะ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขัดเกลวชีวิตจิตใจใเจริญงอกงามคนเราเนี่ยถ้าหากว่าปล่อยให้กิเลสตัณหามานทิฐิมันเจริญงอกงามแล้วก็ไม่มีวันจะเจริญได้จะว่า แ, แต่เจริญทางธรรมเลยแม้แังเจริญทางโลกก็อาจจะลำบากหรือทำได้ชั่วคราวอนี้การที่คนเราเนี่ยจะ สามารถเอาชนะการครอบงำของกิเลสตัณหามาน้าทิฐิได้เนี่ยสิ่งที่สํำคัญคือการมองตนนะมันมองตนอยู่เสมออย่างพี่เจ้าปู่เจ้าตรัสว่าเนี่ยบัณฑิตย่อมนะไม่ใช่แค่ฝึกตนอย่างเดียวนะต้องเตือนตนด้วยตนเองถ้าเราจะเตือนตนด้วยตนเองแต่ก็ต้องรู้จักมองตนเป็นเบื้องตน้นแต่มองตนแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยถีถ่ท่วนเท่าไหร่ เพราะคนเรามีมุมมองที่จำกัดบางทีก็มีอคติมองข้ามความบกพล่องบางอย่างหรือบางทีทําไปก็ไม่เห็นไม่รู้ตัวเพราะทําเป็นนิสัยก็ต้องอาศัยการมองของผู้อื่นดยเพราะกิริยนานมิตผู้ที่ร่วมสังฆะร่วมชุมชน เมื่อเขามองแล้วบางอย่างสมควรที่จะทักท้วงติดติงเราก็ต้องเปิดโอกาสเปิดโอกาสให้เขาได้สะท้อนว่าเขาได้เห็นอะไรถ้าเราเปิดใจยอมรับอนุญาตให้เขาว่ากล่าวทักท้วงเราก็จะรู้ว่าเรามีข้อบอกพร่องตรงไหน เรามีจุดไหนที่ต้องปรับปุงแก้ไขอันนี้ก็ทำให้เราเนี่ยรู้เท่าทันกิเลสตัณหามาณะทิฏฐิในใจของเราได้แล้วก็อย่างน้อยก็รู้ทันไม่ให้มันมาควบคุมบงการจิตใจของเราก็ทำให้การพัฒนาตัวของเราจเจริญงอกงามมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยในเมื่อบุมมองหรือความทักท้วงของ ผู้คนโดยเพาะกรลยะามิตรเนี่ยมีความสำคัญเราก็ต้องนะเปิดใจยอมรับคำทักทวงนั้นและสื่อหนึ่งที่ช่วยทำให้การทักท้วงมันเกิดขึ้นได้คือนะบอกกล่าวนะว่าผมยินยอมผมอนุญาตนะให้ว่ากล่าวทักท้วงได้ เรียกว่าถ้าเปิดไฟเขียวแบบนี้นะก็จะทำให้ผู้อื่นนะเขาสบายใจในการที่จะพูดในการที่จะทักท้วงอันนี้คือสาระนะของพิจิกรรมที่เรียกว่าการปรณาซึ่งถ้าหากว่าเราไม่เพียงแต่ทำเป็นเพียงแค่พิจิกรรมนะแต่ว่าเข้าถึงเนื้อหาสาระมันก็จะทำให้ ความเป็นพระของเราเนี่ยมีความเจริญ ง, งอกงามมากขึ้นด้วยนี้นะพระเจ้าเนี่ยจึงจึงบัญจัติเลยนะว่าเนี่ยในวันออกพรรษาให้ทำพิธีปรารนาต่อกันแทนที่จะสวดปฏิโมกขบทวนสิกขาบทหรือวินยัยก็ให้เปลี่ยนมาเป็นการทำพิธีปรารนาเพื่อ เปิดโอกาสให้หมู่สงฆ์ได้ทักท้วงอาจจะไม่ใช่ในวันนี้แต่จะเป็นวันต่อๆไปก็ได้ความหมายวันปวารณานี้ก็เป็นสิ่งที่ญาติโยมหรือชาววัดที่ไม่ใช่พระนี่ก็ควรจะทราบเพราะว่ามันสะท้อนในเห็นถึงความเป็นชาวพุทธหรือว่ามันสะท้อนในเห็นถึงจิตวิญญาณของผู้ใฝ่ธรรมก็คือว่า พร้อมที่จะฝึกตนนะพร้อมที่จะรับฟังคําชี้แนะพร้อมที่จะฟังคําทักท้วงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกใจกิเลสแต่เพราะมันไม่ถูกใจกิเลสนั่นแหละนะเราจึงควรวน้อมรับคําวิ จ, จารณ์เพื่อไม่ให้กิเลสหรืออัตตา มานะทิฏฐิมันครอบงามจิตใจวงการชีวิตของเราเมื่อตอนบ่ายเนี่ยน ะ, ะพระสงฆ์ทั้งวัดก็ได้ทำพิธีปรณาพิธีก็ไม่มีอะไรมากนะก็ให้ทุกรูปเนี่ยได้กล่าควคาปารณาคาปารณาเป็นภาษาบาลีนะภาษาไทายก็จะแปลอย่างง่ายง่ายคือนะ ขบเจ้าของปรณากรรมูสงหากได้เห็นก็ดีได้ฟังก็ดีหรือได้ยินก็ดีหรือระแวงสงสัยก็ดีก็ขอให้บอกกล่าวแก่ข้าพเจ้าด้วยความปรารถนาดีเมื่อข้าพเจ้าเห็นแล้วก็จะแก้ไขแม้ครั้งที่สองก็ ในครั้งที่สมก็เช่นเดียวกันที่ว่าเนี่ยเห็นก็ดีได้ยินก็ดีระแวงสงสัยก็ดีในหมายถึงว่าได้เห็นได้ยินหรือสงสัยว่าข้าพเจ้าได้ทำอะไรที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินยัยก็ขอให้ได้ว่ากล่าวแล้วก็ท่านก็เน้นนะว่าให้ว่ากล่าวด้วยความปรารถนาดี อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ที่จะว่ากล่าวก็พึงตระหนักเพราะว่าคำตำหนิหรือคำว่ากล่าวคาทักท้วงเนี่ยถ้าว่าทำไปด้วยความประสงค์ร้ายเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร่แล้วมันก็ยากที่คนเราจะรับฟังได้แต่ถ้าว่ากระทำด้วยความปรารถนาดีหรือ ทำด้วยเมตตาเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายจริงเนี่ยพระเจ้าเนี่ยได้ตัดในที่อื่นนะว่าเวลาจะแนะนำทักท้วงใครก็ตามเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เฉพาะพระกับพระแม้กระทั่งกับญาติโยมด้วยกันเองเนี่ยพึงกระทำนะด้วยรรห้าประการเนี่ยก็คือว่าสิ่งที่พูดเนี่ยเป็นความจริง ไม่ใช่นึกเอาเองหรือไม่ใช่ใส่ร้ายสองเป็นประโยชน์บางอย่างมันไม่เป็นประโยชน์นะก็ไม่ควรจะนำมาพูดแต่ถ้าเป็นประโยชน์ก็สมควรจะมาก่าวแล้วก็ที่3คือถูกเวลานะถูกเวลาคำ ว, วิจารณ์นะแม้จะปรารถนาดีประสงค์ดีแต่ถ้าหากว่าผิดเวลาไม่ถูกจังหวะมันก็ เกิดผลเสียนะเช่นไปวิจารณ์ต่อหน้าธัลกรรมนันธรรมชาติคนเราเนี่ยถ้าถูกวิจารณ์ทักท้วงต่อหน้าผู้คนบางทีก็จะรู้สึกเสียหน้านะก็จะไม่ยอมรับเกิดความโกรธไอสิ่งที่พูดไปแม้จะปรารถนาดีมันก็กายเกิดกลายเป็นผลเสียขึ้นมาอย่าว่าอะไรเลยแม้กระทั่งแม่พ่อหรือพี่น้องเนี่ย ทักทวงต่อหน้าผู้คนเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะเกิดผลเสียเพราะคนเราเนี่ยยังไงมันก็ยังมีอัตตาอยู่นะยังมีหน้าตาที่ยังหวงแหนเพราะฉะนั้นเนี่ยการทักทวงการแนะนำเนี่ยก็ต้องดูเวลาด้วยบางอย่างเห็นตอนหน้าแล้วเราก็ยังไม่ทำนะเก็บเอาไว้พราะพูดไปตอนนั้นมันไม่เกิดประโยชน์ ผู้พูดพูดทักท้วงก็ต้องรู้จักเก็บเอาไว้แล้วก็รอคอยเวลาที่จะพูดไม่ใช่ว่าเห็นแล้วก็พูด่อไปเลยอันนั้นเรียกว่าขาดสติแล้วก็มักจะทำไปด้วยอารมณ์คือไม่พอใจและพอทำด้วยอารมณ์แล้วเนี่ยมันก็มักจะไม่ได้เป็นไปด้วยความปรารถนาดีแต่ว่ามักจะเป็นไปเพื่อทำให้เขา เสียหน้าทําให้เขาเจ็บปวดถ้าว่าหวังหรือปรารถนาดีต่อเขาเนี่ยก็จะให้ความสําคัญนะกับจังหวะเวลาที่จะพูดซึ่งก็ต้องหมายถึงพากความรู้รจักอดทนอดกลั้นไม่พูดออกไปทันทีรอคอยเวลาซึ่งก็ไม่ใช่เลงง่ายบางคนเนี่ยเห็นใครทําให้ถูกเนี่ยแม้ถ้ามันอดทนอดกลั้นเนี่ยมันอกจะแตกนะ เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอารมณ์ไม่พอใจมันเกิดขึ้นนะแล้วก็ยิ่งถ้าไม่มีสติกำกับแล้วเนี่ยมันอดรนทนไม่ได้ก็จะต้องพูดออกไปเลยนะแต่ถ้ารู้จักจอดทนอดกลั้นเอาไว้นะรอคอยเวลาพูดไปอีกฝ่ายก็จะฟังได้ง่ายขึ้นแล้วประการที่สี่ก็คือว่านีทำด้วยจิตเมตตาคือปรารถนาดี นะไม่ได้ทำด้วยความสะใจไม่ได้ทำด้วยความมุ่งร้ายเพราะแม้จะเป็นเพื่อนแต่บางทีพอในอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็อยากจะว่ากล่าวให้เขาเจ็บปวดนะไม่ได้ทำด้วยเมตตาแล้วก็สุดท้ายคือว่าพูดด้วยปิยวาจาคาสุภาพดงนั้นถ้าหากว่าทำด้วย5ประการเนี่ยว่ากล่าวด้วย องประกอบภาประการเนี่ยมันก็จะได้รับการตอบสนองที่ดีมากขึ้นแต่ถึงแม้ว่าผู้พูดผู้ทักท้วงเนี่ยจะไม่ได้ทำด้วยองค์ประกอบภาประการบางทีอาจจะพูดไม่รู้จักเวลาเวลาพูดต่อหน้าคนหรือว่า ใช้วาจาที่ไม่สุภาพไม่รู้จักขัดเกลาสำหรับผู้ฟังเนี่ยนะเดี๋ยวพอพระสงฆ์เนี่ยพระพิสุเนี่ยก็ควรที่จะรับฟังด้วยอาการสงบนะไม่โมโหไม่โกรธาเพราะว่านี่เป็นธรรมชาติหรือเป็นวิสัยของผู้ที่ฝึกตนอยู่แล้วนะอย่าว่าแต่ความทักท้วง คำติดติง้งอะไรไม่ว่าคาต่อว่าด่าทอก็ไม่ควรที่จะเกิดความคุนเคืองเกิดความโกรธเพราะถ้าเกิดความคุนเคืองเกิดความโกรธแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดโทษกับผู้ฟังหรือเจ้าตัวเองและนอกจากนั้นเนี่ยคือว่าทำให้ไม่ได้ประโยชน์นะจากคำทักท้วงเหล่านั้น เรื่องนี้เนี่ยก็เคยมีนะผู้เจ้าเคยตรัสแต่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องของการทักท้วงในลักษณะที่เป็นส่วนตัวผู้เจ้าได้พูดถึงว่าเนี่ยถ้ามีใครมาติเตียนเราตถาคตติเตียนพระธรรมติเตียนพระสงฆ์พวกท่านไม่พึงโกรธเคืองไม่พึงอาฆาต พอถ้าหากว่าท่านมีความโกรธเคืองไม่พอใจเมื่อมีคนมาติดเตียนพระพุพทธธรรมพระสงค์อันตรายก็จะเกิดกับท่านเองเนี่ยอันนี้ผู้เจ้านั้นตัดไปเลยนะโกรธเมื่อไรเนี่ยโทษก็เกิดขึ้นกับเราผู้โกรธโทษคืออะไรนะคือความทุกข์ความรุ่มร้อนใจและนอกจากนั้นเนี่ย พอโกรธแล้วเนี่ยก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะพิจารณาได้ว่าคำพูดของเขานั้นดีหรือไม่อันนี้พระเจ้าตัดนะถามภาษาวกเนี่ยถ้าหากว่าท่านมีความโกรธมีความขุนเคืองท่านจะรู้หรือไม่ว่าคาพูดของเขานั้นดีหรือไม่ดีถูกหรือไม่ถูกจริงหรือไม่จริงภาษาวกก็ตอบว่า ไม่สามารถจะทำอย่างนั้นได้นะเพราะพระพุทธเจ้าเลยบอกเนี่ยเมื่อได้ยินใครนะมาติดเตียนพระผู้ประธรรมพระสงค์ก็ไม่พึงโกรธไม่พึงอาฆาตไม่พึงขุนเคืองนะเพราะว่าจะเกิดโทษกับตัวเราและทำให้ไม่สามารถจะพิจารณาได้ว่าคาพูดเขานั้นดีหรือไม่ดี น, นี้พระเจ้าตัดต่อไปนั้นนะว่านอกจากรักษาใจให้ดีแล้วคือไม่โกรธแล้วรู้จักพิจารณาคําพูดของเขาแล้วเนี่ยสิ่งที่ควรทำต่อไปคือว่าชี้แจงให้เขารู้ว่าคําพูดของเขานั้นเนี่ยอะไรที่ไม่จริงอะไรที่ไม่มีหรือไม่เกิดขึ้นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชี้แจงเรื่องไม่จริงให้เขารู้ว่ามันเป็นความไม่จริงอันที่เป็นท่าทีนะ ที่เราชอบพูดเนี่ยควรจะน้อมนึกหรือตันหนักเอาไว้นะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีคนที่วิพากวิจารณ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะและถ้าเราพลอยโกรธนะโทษก็จะเกิดขึ้นกับเราเรียกว่าวางใจผิดนะสิ่งที่ควรวางใจคือว่าเนี่ยเออไม่โกรธแล้วก็พิจารณาว่าที่เขาพูดมาเนี่ยมันจริงไหมนะ มันถูกต้องไหมอันนี้เรียกว่าแทนที่จะใช้อารมณ์ก็ใช้ปัญญาแล้วก็ชี้แจงว่าที่เขาพูดมาเนี่ยตรงไหนที่ไม่จริงอันนี้ก็มาใช้ได้นะกับคำทักท้วงเวลาเราได้ยินใครมาทักท้วงเราตําหนิเราเนี่ยไม่ว่าเขาจะพูดด้วยค่อยคาประเภทไหนถูกเวลาหรือไม่นะ แม้เขาจะพูดผิดเวลาแม้เขาจะพูดด้วยความโกรธแม้เขาจะพูดด้วยความไม่ปรารถนาดีเป็นเรื่องของเขาส่วนเรื่องของเราคือว่ารับฟังนะด้วยใจที่เป็นปกติไม่โกรธไม่คุณเครื่องแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าที่เขาพูดมาเนี่ยจริงไหมถูกต้องไหมอย่างนี้แล้วว่าไม่เอาอัตรารับเนะพราะถ้าเอาอัตรารับคาทักทวงก็จะโกรธ ทำไมว่ากูทำไมว่ากูมันมีตัวกูถูกกระทบแต่แทนที่จะใช้อัตตาใช้ปัญญาก็มาพิจารณาว่าที่เขาพูดมาจริงไหมถูกไหมมีประโยชน์ไหมและถ้ามันจริงอ้าวเราก็แก้ไขเอามาใช้ประโยชน์ถ้ามันไม่จริงอ้าวก็อย่าไปสนใจหรือท่าดีก่อนหน้ า, นาคือชี้แจงว่ามันไม่จริงอย่างไรนี่ก็ว่าเรามีท่าทีแบบนี้เนี่ยนะมันก็จะทํำให้ให ความเป็นพระของเราเนี่ยน ะ, จะเจริญงอกงามมากขึ้นและที่จริงไม่ใช่เฉพาะความเป็นพระนะสหรับคารวาสเนี่ยญาติโยมเนี่ยความเป็นชาวพูดหรือความเป็นผู้ใฝ่ธรรมก็จะเจริญ ง, งอกงามและนี่ก็คือสิ่งที่นะนี่คือสาระสำคัญนะของวันมหาปวรณาซึ่งที่จริงเนี่ยเราก็สามารถจะนำไปใช้กับเหตุการณ์อื่นๆได้นะ หมายความว่าแม้จะไม่ได้เป็นแม้จะไม่ได้ถูกทักท้วงนะแต่อาจจะถูกต่อว่าด่าทอก็ไม่สมควรโกรธแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะในวัดนะหรือว่าในสถานที่ปฏิบัติธรรมก็ตามหลายคนเนี่ยเวลามาวัดวามาสถานที่ปฏิบัติธรรมเนี่ย ถอาเจอความพูดทานองนี้เนี่ยก็เกิดความรุ่มร้อนเกิดความไม่สบายใจนะอาจจะนึกในใจว่าในชั้นอุตส่ามาวัดเพื่อหาความสงบทำไมต้องมาเจอเรื่องแบบนี้จริงๆมาวัดเนี่ยเพื่อหาความสงบเนี่ยมันยังไม่ถูกนะเพราะว่าความสงบเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องหาถ้าเราหาความสงบจากสถานที่เนี่ยเราจะผิดหวังเพราะว่า ความสงบของสถานที่เนี่ยมันเปราะบางไม่แน่นอนวันดีคืนดีก็มีเสียงดังอย่างเสียงประทัดตูมตามเงี้ยและจริงแล้วความสงบเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะต้องหาหาไงก็ไม่เจอความสง บ, บเป็นสิ่งที่ต้องสร้างสร้างที่ไหนสร้างที่ใจของเราและจะสร้างที่ใจของเราได้เนี่ยก็พราะเราสามารถเทียน้อมนําธรรมะเอามาใช้ในการฝึกตนของเรา ไม่ใช่แค่ฝึกตนด้วยการมองตนอย่างเดียวนะแต่ว่าฝึกตนด้วยการน้อมรับนะคําวิจารณ์ของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะ่ไปคิดว่าเนี่ยเราเป็นพระแล้วญาติโยมจะวิจารณ์เราไม่ได้หรือเราเป็นเจ้าวานแล้วนะพระลูกวัดจะวิจารณ์เราไม่ได้หรือว่าเราเป็นพระพรรษามากแล้วพระพรรษาน้อยจะวิจารณ์ไม่ได้ วิสัยของบัณฑิตเนี่ยนะไม่ว่าจะไม่ว่าใครจะวิจารณ์ก็ไม่สําคัญอยู่ที่ว่าเขาพูดถูกไหมพระไาริบุณณเนี่ยเคยนะมีสามเณร เ, เนี่ยทักทวงท่านสามเณรก็ไปลูกศิษย์ของท่านนั่นแหละทักทวงว่าท่านหมจีวรเนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยถูกเท่าไหร่คือลุยจีวรลุยเนี่ยท่านก็ไม่โกรธ น, นะ ท่าก็ไปจัดจีวรใหม่ให้ดีแม้ว่าผู้ที่วิจารณนั้นจะเป็นสามนเณรน้อยนะอันนี้เป็นวิสัยของบัณฑิตนะก็คือว่าจะเป็นใครวิจารหรือทักท้วงไม่สําคัญอยู่ที่ว่าสิ่งที่เขาพูดมาจริงไหมถูกไหมอันนี้นอกจากท่าทีที่พึงมีเนี่ยต่อคําทักท้วงคำวิจารณ์แล้ว เราต้องเนรู้ที่จะรับมือกับการกระทบกระทั่งเลยหรือแม้กระทั่งเป็นคำต่อว่าด่าทอถ้าเรามาวัดเพื่อหาความสงบเราจะหาความสงบได้ยากเพราะว่าไอ้คำต่อว่าด่าทอคำติชินนิทาพวกนี้มันเป็นธรรมดาไม่มีใครหนีพ้นถ้าความสงบหมายถึงว่าการที่ปลอดจากสิ่งเหล่านี้ แม้มาวัดก็จะผิดหวังแม้อยู่ที่ไหนก็จะไม่เจอแต่ถ้าเราคิดว่าเรามาวัดเนี่ยเพื่อฝึกตนนะอันนี้เนี่ยถือว่าตั้งวัตถุประสงค์ถูกแล้วล่ะนะเพราะการฝึกตนเนี่ยเท่านั้นแหละที่จะทำให้เราพบความสงบที่แท้จริงหรือผู้อหญ่ก็คือว่าเมื่อเราฝึกตนได้ดีเนี่ยความสงบเราก็จะสามารถสร้างขึ้นในที่ใจของเราไม่ต้องไปหาที่ไหน จะต้องสร้างขึ้นในใจของเราด้วยการรับด้วยการมีสติปัญญาในการรับมือกับสิ่งที่มากระทบที่เราเรียกว่าโลกธรรมฝ่ายลบเสื่อมลาบเสื่อมยศนะคําติชินนินทาต่อว่าด่าทอและความผันผ ว, วนไปอย่างอื่นที่เราเรียกว่าทุกขนะ์ถ้าเรามาถ้าเรามาวัดเพื่อฝึกตนเพื่อให้สามารถจะอยู่กับ หรือรเผชิญกับสิ่งที่มากระทบได้อย่างถูกต้องเนี่ยให้ความสงบที่เกิดขึ้นในใจความสงบก็จะเกิดขึ้นในใจเราได้ไม่ยากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่จะมารบ ก, กวนความสงบในใจหรือทำให้จิตใจเรารุ่มร้อนเป็นทุกข์เนี่ยมาไม่ได้ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราเท่ากับว่าเรารู้สึกหรือเรามีปฏิกิริยาอย่างไรกับสิ่งนั้น เสียงดังกระทบหูแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจไม่ผักใสใจก็ไม่ทุกนะเสียงโทรศัพท์จะดังก็ดังไปนะแต่ว่าเราไม่ใส่ใจนะใจเราไม่ผักใสหรือว่ายอมรับสิ่งนั้นได้รวมทั้งรู้จักเอามาใช้เป็นประโยชน์ว่าเออเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมาเพื่อฝึกใจเรา ให้มีสติไม่ใช่แค่มีขันติคือความอดทนแต่มีสตินั่นก็คือรู้ทันใจที่มันกระเพื่อมรู้ทันอารมณ์ที่สั่นไหวรู้ทันความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นรู้แล้วก็วางถ้าเรารู้จักวางใจใเป็นวางใจให้ถูกนะอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงมากระทบตาหูจมูกลินก้นใจหรือแม้กระทั่งความคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจมันก็ทําอะไร จิตใจเราไม่ได้เสียงเนี่ยไม่ทําให้ใจเราเป็นทุกข์มากเท่ากับการผักใส่เสียงนั้นหรือว่าการเอาเสียงนั้นมาเป็นอารมณ์อันนี้รวมไม่ใช่แค่เสียงดังเสียงประทัดนะแต่รวมถึงเสียงต่อว่าดาทอแล้วเราไม่เอามาเป็นอารมณ์เนะข้าหูซ้ายทุลุหูขวามันจะเกิดทุกข์มันจะเกิดความหงุดหงิดได้อย่างไรหรือว่ารู้จักจเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์นะอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ สอนภาษาวกเนี่ยอย่างตัวอย่างที่เล่ามาเนี่ยนะใครเขา้าตจเตียนพระพูดพระธรรมพระสงฆ์อย่างไรเราก็อย่ากโกรธนะอยา่าขุนมัวอย่าพยาบาทเพราะคืนทําเช่นนั้นอันตรายก็จะเกิดขึ้นกับเราเองและเราก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดมานะั้นดีหรือไม่ดีจริงหรือไม่จริงถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคาพูดบางอย่างแม้มันจะเป็นคาหยาบคาย แต่อาจจะมีประโยชน์ถ้าเรารู้จักมองเช่นเอามาเป็นเครื่องสอนใจว่าเออเนี่ยโลกก็ทําเป็นอย่างนี้แหละมีคนชมเราก็ต้องมีคนตําหนินะมีคนชอบก็ต้องมีคนชังให้คําตอว่าด่าทอหรือว่าความชังนะที่เกิดจากผู้อื่นเนี่ยมันก็สอนศัจธรรมให้กับเรานะและขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นเครื่องฝึกสติของเรา ให้รู้จักไวในการรู้ทันเมื่อมีความโกวยเกิดขึ้นแล้วก็ฉลาดในการปล่อยวางถ้าเรารู้จักใช้ประโยชน์จากมันเนี่ยจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยใจเราไม่ทุกข์นะแถมมีความเจริญงอกงามมากขึ้นสามารถที่จะรับมือกับความทุกข์ที่จะที่รุนแรงหนักหนาสาหัสในวันข้างหน้าได้เพราะนั้นเนี่ยหากว่า เราวางใจแบบนี้ได้ถูกเนี่ยไม่ใช่เราจะพบความสงบในใจเมื่ออยู่วัดนะแม้ออกไปข้างนอกหรือกลับไปภูมิลาเนาถ้าเป็นพระศึกหาลาเพศไปหรือเป็นนักปฏิบัตินาะที่กลับบ้านไปกลับไปทำงานกลับไปสู่ครอบครัวนะก็ยังสามารถพบความสงบได้เป็นความสงบที่ไม่ได้เกิดจากสถานที่ แต่เป็นความสงบที่เราสร้างขึ้นมาในใจนะจากการที่เรารู้จักนะฝึกตนจนสามารถรับมือกับนะความพลลันผวนปนไปต่างๆที่เกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่มากระทบได้มันจะมากระทบตากระทบหูกระทบกายอย่างไรใจไม่กระเพื่อมนะจิตไม่กระเทือนอันนี้แหละคือความสงบนะที่เราสามารถจะสร้างขึ้นได้ใน ใ, นใจของเรา ไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องไปหาที่วัดนะหรือแม้จะอยู่วัดนะมีอะไรมากระทบะใจก็ไม่กระเทือนเราก็มีความสงบได้อันนี้แหละก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะฝึกได้สร้างได้นะจากการที่เรารู้จักฝึกตนรวมทั้งเรียนรู้ด้วยการด้วยการฝึกจากสิ่งที่มากระทบต่างๆมากมาย